ا ل ر ระน ا มของ لله บิดาผู ل ทร ن มีพระบุญค um ุ م ที um ่สุดขอให้พระองค์ ا รงมีพร ل สุขสมสวง่า م ดาย ع นวันนี้และในวันต่อๆไปส่วนหนึ่งของข้อพิพาทในประเด็นกลุ่มกับกาะหรือกลุ่มมวลแอฟิกันที่ได้มีบทบาท บิดพิวแ ล, ละสร้างความหุ่นวายในสถานการณ์ทำการสถานการณ์การต่อสู้หรือการทำสงครามกับศัตรูมันก็เกิดเกิดหนึ่งประเด็นหนึ่งที่มีการพิาพาทนี่ก็คือเรื่องการบริจาคเพราะกุมมนาฟิกินเขา เอามาแอบอ้างคือการบริจาคนี้เอามาแอบอ้างเป็นผลงานทดแทนการทำจิ h าดกับท่านนาบีสุลต่านเราบอกกันนบีไม่ไม่ไปไม่ไม่ไป jihad นะเราบริจากระกันนะคำพูดของอัลจัดดุบนุไควซจึงต้องมีการพูดถึงเรื่อง z หรือการสนทกหรือการบริจาคโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามตะบูกเนี่ยปีที่ส0ฮิจรัตสกรารเนี่ยรัฐอิสลามเนี่ยได้ถึงขั้นตอนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วในการบริหารจัดการแผ่นดินเพื่อไม่ให้ ขอแอบอ้างของมุนนาฟิตีในเรื่องบริจาคในเรื่องช่วยเหลือช่วยเหลือกิจกรรมของของของรัฐเนี่ยบรรทอนเสถียรภาพหรือความมั่นคงของรัฐจึงมีบทบัญญัติเฉพาะพูดถึงเรื่องปะกาศหรือเรื่องการบริจาคโดยเฉพาะและสิ่งที่น่าสนใจว่า อายะนี้เนี่ยอายะที่หกสิบของสุรอัตะวานี่พูดถึงเรื่องเรื่องบริจาคเนี่ยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับจำพวกจำพวกหรือกลุ่มที่มีสิทธิ์รับอากาศเรามักจะเรียกว่าจำพวกเนี่ยเพราะ ถูกระบุไว้ในอายานี่เพียงแปดจำพวกดูแล้วเนี่มันน่าจะน้อยนะแปดจำพวกน่าจะน้อยเทียบแล้วกับประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐเนี่ยแปดจำพวกถือว่าน้อยแต่เดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่าแปดจำพวกนี่ไม่น้อยนะแปดจำพวกเนี่มันครอบคลุมครอบคลุมแทบ ทุกภาคส่วนของคนในสังคมและอย่างสิ่งที่อายานี่จะจะพูดถึงก็คือโครงสร้างของสังคมโครงสร้างโครงสร้างของคนที่ควรรับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนการบริจาคทานหรือสนกอเรืสการจึงให้เห็นว่า อาย่านี้ไม่เป็นอายาที่บอกว่าอ๋อมีสกัดแล้วให้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วส้นเรื่องไม่ใช่อาย่านี้เนี่ยมีความลึกซึ้งถึงขนาดที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องระบบบริหารแผ่นแผ่นดินภายในทัวด้วยแต่อีกข้อสังเกตนะครับว่าในกูดอ่านเนี่ยมีน้อยมีน้อยรายละเอียดที่เกี่ยวกับแหล่งสกัด <c oughs> เรีกะอินคอมรายได้ไม <bur own, S 2> ่ได้พูดถึงรายละเอียดเยอะมีอายันนอายันหนึ่อายันนสุรณาอนามสุรณาลิศอายุสุรณาไม่ได้แล้วก็อนามคกะริ่งะการของกะถูกพระวิญ อาเดียวนี่เกี่ยวกรื่องเี่ยวกัเรื่องษตรในสุรตบานนี่จะมีกายะหนึ่งเกี่ยวกับการรับสุกาศรับสุกาศจากทรัพย์สินทุกชนิดซึ่งอันนี้มันก็ครอบคลุมทุกทุกชนิดแหละจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามสุวนนั้นนี่อาจจะมีรายละเอียดมากกว่าเพราะมันเป็นภาคปฏิบัติในการ เก็บสกาดจึงมีสมัยท่านนบีสุลต่านสลามที่มีการเก็บสกาดมันก็เลยมีมีมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มีคําชี้แนะในการเก็บสกาดจึงมีรายละเอียดแต่ในกุรานมีรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งสกาดนี่น้อยแต่รายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายจ่ายสกาดไปให้ใครเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยมีละเอียดละเอียดละเอียดมากด้วย ถือว่าแปดจำพวกในอายะเดียวนี่ที่อัลลอ์พูดถึงนั้นก็ือว่าละเอียดมากแล้วจากแปดจำพวกนี้จึงมีการอธิบ า, ายทั้งในสุนนะของท่านนาบีสล ล, ลลัลฮอะลัยสซาลัมแล้วก็ภาคปฏิบัติของยุค ข, ขลีฟาทั้งสี่ท่านซึ่งเราจะเปรียบเทียบการปฏิบัติของยุค ข, ขลีฟาเนี่ยแม้จะแม้ว่าจะเป็นเรื่อง เร like, ื่องการพิพากษาการตัดสินการบริหารจัดการเนี่ยเหมือนสารัฐธรมนูญเวลามีความขัดแย้งในเรื่องถ้าเราจะมีความขัดแย้งในเรื่องอายะเนี่หะดีสเนี่ยถ้าในสุฮาบะเขาก็มีการอธิบายกุรานและฮะดีสเนี่เหมือนสารรัฐธรมนูนเราเราถือว่าเขาเนี่ยเก่งที่สุดแล้วในกุรานฮะดีสหรว่าเก่งที่สุดแล้วจะข้ามหัวเขาหรือจะ ก้าวไก่ก ah e ็ม ah e ันม so ันไม่ควรอุลามาจึงให้เครดิตให้เครดิตในศาสนะของสัฮาบะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสกัดนี้ก็จะมีรายละเอียดเราไม่ได้อยู่ในในวิชานิติศาสตร์ที่จะอธิบายสกาดอย่างละเอียดเราอยู่วิชาอะไรอ่านเท็ีรษะทบายอุร์อ่านก็ต ดูผมอาทิว่ดูผมพูดเบื้องต้นนี่เดพี่น้งองออกมาแล้วมาแล้วฟึกฟิกเราจะไปกันสกาดเนี่ยเรียนมันเรียนได้ทั้งปีนะสกาดเนี่ยแต่เราจะเอาเฉพาะอาย่นี้นะครับไม่ไม่ขยายมากแต่จะพยายามที่จะแจกแจงรายละเอียดที่มันเกี่ยวกับอที่มันเป็นประโยชน์สําหรับในยุคปัจจุบนันแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพวกเราให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการออกสกัดและในด้านการรับสกัดไม่มากก็ น, น้อยอินช่าลออุลามาบางด้านนี่นะครับได้บอกว่าคำว่าสอดกอหรือสอดคอเนี่ยถ้าถูกระบุในคุตลานีหมายถึงงวดสกาดเสมอไปทั้งดังดีด้านภาษาแล้วก็ด้านชริยาห์ในด้านและการศาสนาสอดอเนี่ยเรียกได้ทั้งสองนะ สอดค้อนี่ก็คือเรื่องจําเป็นวะยิบเนี่ยก็คืออย่างสะกาดสะกาดุลมะเนี่ยที่ต้องออกต้องออกหรือสอดก้อนี่ที่เป็นเรื่องอาสาสอดค้อนที่ไม่ชีวะยิบเนี่ยทั้งสองนี่เรียกว่าสอดค้อยิ่งในยุคนบีและสุฮาบะเนี่ยคาว่าสะกาดเนี่ยไม่ค่อยใชย้หมที่ว่าในในภาษาพูดอะนะไม่ค่อยใชย้แล้วก็จะบอกว่าสอดค้อนนี่ก็เป็นที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่อง อ่าเป็นเรื่องสการหรืออาจจะเป็นเรื่องอาสาก็ได้แม้กระทั่งในคุรุอ่านพูดถึงเรื่องสการนะพูดถึงเรื่องสการตรงๆนะเรื่องใช้ใช้คำว่าโดดะก็คุ้มินอัมวะลิฮิมซดดะกตันเจ้าจงเอาเอาเอาซดดะกหมายถึงว่าจงหยิบซดดะกนี้มินอัมวะลิฮิมจากทรัพย์สินของเขาอันนี้เอกชนเลยนะคำว่าซดดะกตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าสการ์อย่างเดียวเลย แต่คนมาบางท่านบอกว่าในคุรานอาจจะมีบางอายะห์นี o, ่นี ay, ่ทศนาที่บอกว่าสุตระข้ในคุรันทั ib, a, Then, ้งหมดนี ca, ่ก็คือคือสกาดอย่างเดียวแต่มีทศนาที่บอกว่าไม่เสมอไปบางทีก็อาจจะมีอายะห์ที่พูดถึงเรื่องสดตระข้อและหมายรวมทั้งสกาดที่เป็นวาจิบทั้งสุตระข้อที่ไม่ใช่วาจิบเช่นอายะห์ในสุรทัลฮะซาบที่อัลลอฮฺบอกว่าอายะห์ยาวนะ المسلمين والمسلمات و ا ل ؤ م ي ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت و ا ل ق ا ن ت ي ن و ا ل ق ا ن ت ا ت والصادقين والصادقات و ا ل ص ا ب ر ي ن والصابرات والخاشعين و ا ل خ ا ش ع ت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين ف ر ج ه م والحافظات و ا ل ذ ا ك ر ي ن الله كثيرا و ا ل ذ ا ر ا ت ع د الله لهم مغفرة وأجر عظيم. قَدِّمْ كوانديت ق َ ا ْ دِينَ ل َ ع ي ن َ ة َ لَنَنَّهُ و ا ل ْ م ُ ت َ ص َ د ِّ ق ِ ي ن َ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ใครเยาวูกมุตสัดดิกีนคนที่ออกสัตว์กทั้งชายและหญิงมุสัิกนชายมุตสดดิกะหญิงที่ออกสักออกสัก็ตรงนี้เนี่ยเพราะพะในท้ายของอายะเนี่ยบอว่าชนเหล่านี้คนที่ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมคนที่นอบน้อมนี่ละหมาดคนที่ถือศีลอดคนที่รักษาไว้เพียงนพวกนี้ละเราเนี่ยอัลลอฮฺละหุ่มักฟิรัดันคนละบุญเดียวอัลลอฮทรงตรียมไว้สมอเพราเขามฟิรัน ซึ่งอภัยโทษอันใหญ่หลวงว่าจุรนอลที่มาละรางวัลใหญ่หลวงซึ่งไปพ้นละรางวัลเนี่ยก็สําหรับทั้งสนทนาที่เป็นวายิบและสนทนาที่อาสาด้วยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสกักอย่างเดียวรวมถึงการทําความดีอื่นๆที่ถูกกระบุนในอายะเนี่ยเช่นว่าซออิมีน่ะเดี๋ยวเราเสนอคนที่ถือสินอดไม่เฉพาะถี่สินอดฟังดูอย่างเดียวที่สินดสุนนะด้วยย่อม ได้ผลละบุญละรางวัลเหมือนกันก็สรุปว่าหลักๆเนี่ยสุนัขในกุรอรานนี่ก็หมายถึงว่าสการยกวเวนด่าว่ามีหลักฐานที่พอที่จะชี้แนะว่าคํานี้ในอาย่านี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องสการอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องสุดัขเรื่องอาสาด้วยแต่สําหรับอาย่นี้อายาขุคศิบนัสูร์เต็มไป ก็เนอายะอายะหนึ่งที่เอกฉันเลยนะครับอิมาอละ ص د ق ا ตรงนีนก็หมายถึงว่าสการแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องแหล่งสการนะใหม่พูดถึงเรื่องการจ่แจกจ่ายสการให้ใคร ب ع د ع ا ل ل ه من ا ل ش ط ا ن الرجيم إنما ل ص ق ا ل ل ف ق ا ء و ا ل م س ك ي ن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و ف ر ق ا ب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علي م ُ ح ك ِ م ก่อนที่จะอธิบายว่าจาพวกสะกดที่มีศัพท์สะกดเนี่ยเป็นอะไรผมจะให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามาตรสอบดูว่าข้อสังเกตนี้เนี่ยมันมีจริงในในทุกเรื่องหรือเปล่าโดยรวมนะสะกดเนี่ย คือเงินเหลือเงินเหลือนี่หมายถึงว่าคนเขามีเงินเยอะอยู่แล้วนะแล้วเงินนี้เ็เหลือจึงเอาสากาัดเงินเหลือนี่ส่วนหนึ่งของเงินเหลือเนี่ยไปให้คนที่ขาดเงินอยู่อันนี้คือโครงสร้างเรียกว่าปัจจาของสากาัดคุณมีเงินเหลือก็อย่าเก็บไว้สิให้มีส่วนหนึ่งไปให้ใครก็คนที่ไม่มีเงินเหลือไงคนที่มีเงินเหลือ ให้คนดีไม่มีเงินเหลือก็คือไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ผมไม่มีอะไรเหลือเลยคนที่มีเหลือให้คนที่ไม่มีอะไรเหลืออันนี้คือโครงสร้างโครงสร้างของสก้างซึ่งโครงสร้างนี้มันมีความชอบแล้วก็แล้วก็ตรงกับธรรมชาติอยู่แล้วตรงกับธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็แสดงว่าคนดี ไม่มีอะไรเหลือไม่ควรที่จะเอาสกัดจากเขาไม่ใช่ไม่ควรไม่อนุญาตได้เอาสกัดจากเขาเขาไม่มีเหลือจะไปเอาสกัดจากเขาทำไมถ้าเขาจะออกสตอก้อนนี่ก็เป็นเรื่องอาสาละสําหรับคนที่ไม่มีอะไรเหลือนะนี่เป็นเรื่องอาสาแล้วเช่นเดียวกันเราเอาสกัดจากคนที่มีเงินเหลือไปให้คนที่ไม่มีเหลือใช่ไหมไม่ควรเอาสกัด จากคนที่มีเงินเหลือเนี่ยไปให้คนที่มีเงินเหลือเหมือนกันเขามีเงินมีมีเงินล้นอยู่นะแล้วยังจะเอาสกัดมาอัดฉีดเขาเนี่ยมันไม่ใช่และนี่คือข้อแตกต่างสําคัญระหว่งางสกัดกับภาษีภาษีนี่ไม่มีจุดนีด้ภาษีนี่ดูดิทั่วโลกนี่ทะเลาะ ก, กันนะในในสำนักเออเขาเรียกอะไร สำนักคิดของของเศรษฐศาสตร์นะเกมบสีกาศจะคนรวยหรือคนจนทัศนัติบอกเกมหมดแหละหมดเลยจะจนจะรวยนี่เก็มหมดทุกคนพลเมืองทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบำรุงคลังของรัฐในภาคปฏิบัติเนะงินภาษีก่อน ที่ได้จากคนจนไม่ใช่คนจนนะั่นก็คือคนที่ไม่รวยอะ่ะคนที่ไม่รวยะนะมากกว่าเงินที่ได้จากคนคนรวยไห้โดยปฏิบัติขังทั่วโลกรายได้ของประเทศชาตินะที่มาจากภาษีของประชาชนส่วนมากที่ไม่ใช่รวยนะนั่นคือนั่นคือแหล่งสำคัญของ าย ไ, ได้ของประเทศชาติทุกประเทศนะแม้ก็นทั่งประเทศรวยๆสับสินของประเทศชาติเนี่ยเก้าสิรน์ของสับส น, นินะเป็นของ 10% อร์ของประชาชนสิครอบครอง 90% ของทรัพย์ของสับสนิและ้น่นะครอบครองเท่าไหร่สิบเปอถามว่าเงินภาษีเนี่ยเขาเก็บ เขาเก็บเจ็ทฤษฎีแบ่งทรัพย์สินแบบนี้ป่ะได้เขาเก็บเจ็ดจำนวนคนไม่ใช่จำนวนไม่ไม่ใช่จำนวนทรัพย์เพราะแต่เป็นเช่นนั้นแล้วอะนะภาษีกรก็ต้องทศากาลนะทศากาลนี่เป็นอย่างนี้นะเากาิจนี่เราเอาจากมวลทรัพย์สินไม่ได้เอาจากมวลเพราะคนค น, นี้นะเราตัดไปแล้วไอ้คนนี้ไม่มีนี่พิกัดนี่ม่เนี่ยตัดออกตัดออกไ ม, ไม่ไม่ต้องเอาเสกการไม่ต้องเอาเรื่องมา มาดูคนที่มีคนที่มีเนี่ยต้องออกแต่นี่คุณจะไปซื้อน้ำอาจจะไปซื้อน้ำมันนะ้ากินน่ยจากซนเซเวนี่ยคุณจ่ายภาษีแล้วบังคับนะหมายถึงไ ม, ไ ม, ม, ม่มีทางเลือกนะแม่งั้นนั่นก็หาไปซื้อน้ําเองไปซื้อน้ําจากร้านที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนัะ้นก็ต้องก็ต้องก็ต้องเสียเปียบแนะ่นอนคือรถเมย์ รถเมย์ไม่มีแอร์นะไม่บับอากันนะต้องจ่ายภาษีมึงจ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วไอเจบาทไอ้าบาทไอสิบบาท ส, ส, สิบสองบาทเรียบร้อยแล้วจ่ภาษีไปแล้วมีเหรอคนรวยนั่งรถเมย์มีเหรอแล้วคนรวยในที่ที่เขาขับเบนซ์ขับรถร ถ, รถสรอยด์พวกเนี้ยเขาจ่ายภาษีมาที่เขาจะาที ท, ทีเขาเติมน้ํามันเนี่ยเขาจ่ายภาษีเหมือนเราไหมาส่วนตัวเราขึ้นรถเมย์หรืออะไร วัน 1, 20, 30, 30นึงย่สบสาบาทเขาจ่ายภาษีเท่ากับเราไหมเปล่าอันนี้คือความความไม่ยุติธรรมในการในการรับสกาดและในการแจกจกา่ายสกัดภาษีกรของประชาชนไปบำรุงบำรุงธุรกิจคนรวยไรายได้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเนี่ย ของบริษัทอะไรอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิพี่อ่าสับปสัตว์ทั้งหลายบรรดาสับปสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรายแรกรายแรกมัคือใหญ่ที่สุดแล้วเป็นเกาะเป็นกรรมเลยและอยากจะรู้ว่าสับปสัตว์นี่มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะนะ สินค้าของเขาเนี่อยู่ตรงไหนของบริพุคของกินที่มีประโยชน์นูน่นนะอยู่อยู่อยู่ท้ายห้างอยู่นูน่นอยู่ข้างในนูน่นแต่ของบวกนี้เนี่ยยอยู่ข้างหน้าเลยนะแล้วก็ไม่ปิดเอารอบด้วยนะไม่เหมือนบุรีนะบุรีปิดอันนี้ไม่ปิดนี่ถึงจะร่ว ม, มันสำคัญขนาดไหน คนที่เป็นมะเร็งจากบุหรี่เป็นมะเร็งจากกินเหล้าเป็นโรคอะไรต่างๆรวมถึงอาชญากรรมที่เกิดจากบุหรี่จากเหล้าทั้งหมดเนี่ยใครรับผิดชอบภระสกรที่มาจากเล่าและบุหรีเ่เหรไม่ภระสกรของเหล้านี่ก็มีแค่นี้แหละก็มีแค่นี้แหละแต่ภาษีที่มาจากประชาชนทั่วไปนี่แหละที่จะมาที่จะมาบํารุง ความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคสิ่งค้านเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นสากาดนี่มันทำไม่ได้ไงเป็นสากาดนี่สากาดนี่ไม่รับนะจากสิ่งอบายมุกนะขายหวยขายเหล้าขายบุหรี่มันรับสากาดได้ไีเอา้าห้ามโดยเด็ดขาดเลยเราจึงเข้าใจว่า ในการแจกจ่ายสการเนี่ยเพียงชื่อชื่อของข อ, งอธุรกรรมการเงินเนี่ยซดดะก้อเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันต้องมีความบริสุทธิ์เพราะคำว่าซดดะก้อคำว่าซดดะก้ออินนัซดดะก้ออุซดดะก้นีรากศัพท์ของมันเนี่ยซดกะซดคือความสั้จริงความบริสุทธิ์ซึ่สอเด็ก ผู้สัจจริงคนที่พูดจริงคนที้มีความบริสุทธิ์หรืออากาศอากาศไมว่าเดี๋ยสะอาดชำระให้สะอาดในกระบวนการสอกาลทั้งหมดเลยนะไม่มีนะที่คุณจะเอาเงินจากแหล่งเน่าเนเนี่ยมาให้ชาวบ้านหรือจะเอาเงินจากอากาศที่มันบริสุทธิ์เนี่ยจากรายได้ หาราลของชาวบ้านนี่นะไปใช้จ่ายหรือไปให้กับคนที่ใช้จ่ายในสิ่งเน่าเน่านทั้งทั้งสองด้านนี่นะแต่ทางกระบวนการสตกร้อนนี่ไม่ได้แล้วคนที่จะรับผิดชอบเนี่คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคนที่เกี่ยวข้อคอลิฟัปชหรือผู้นําผู้นําสังคมคนที่ดูแลทรัพย์สิสนส่วนรวมเงินหลวงเนี่ยทรัพย์สินหลวงของ ระชาชนนี่ใบุลมมลเนี่ยเขาจะต้องดูลเรื่องนี้อันเคร่งเคร่งครับจพวกแรกเนี่ยอัลลอบอกว่าอินนามัสซดะกาดุลิลฟุกุราอัลมาซาคีนอุลมะคุนขางเอกฉัน์เนาะวนับทั้งหมดนี่มันแปดจำพวกแต่มันเม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอัลฟุกุราอัลมาซาคีนในด้านภาษานี่ อนาคตของฝัก no ีรละมิสกีนฟุกุระละมาซมันค่อนข้างไม่ค่อยชัดมันมันมินเมหน่อยคนเดียวกันได้เปล่าฟุกุระมาซาก็นเนี่ยคือประเภทเดียวกันนะจำพวกเดียวกันได้เปล่าทําไมคือยากจนอ่ะคือยากจนในอธิบายเกือบทุกเล่มมันนะที่เขาที่เขาแปลนะเขาบอกว่าฟุกุระยากจนมาซาก็นขัดสน เ อ, เอาภาษาไทยเนี่ยยากจนกับขัดสนเนี่ยจำแนกยังไงอ่ะมันก็มันก็ต้องมาอธิบายอีกนะแล้วไอ้อธิบายเนี่ยมันมีหลักฐานที่จะจำแนกชัดเจนไหมจริงๆยากจนกับขัดสนเนี่ยก็มันก็ใกล้เคียงกัน น, ะนี่นี่ก็คือประเด็นความขัดแย้งระหว่างอุลมามะในการอธิบายสองจำพวกนี้มีทัศนะหนึ่งบอกว่ า, าฟุครามะซากินจำพวกเดียวกันคนเดียวกันนี่แหละ แตมันจะมาติดขัดกับทศนะอุลามาทั้งบทดนี่ที่เขาบอกว่ามัน8ปดจำพวกนะแต่ต่ฝักฟุกอร์อมิสกินจำพวกเดียวแสดงว่าทั้งหบดอีกกี่จำพวกเจ็ดจำพวกดิแต่เขานับหน้าฟุกอร์รอมิสกินด้วยเหตุผลว่าถ้าอัลลอฮ์เรียกสองกลุ่มเนี่ยแล้วก็ใช้คําว่าว้าวานี่แปลว่าและนะแต่ในภาษาไทยเนี่ยถ้าเรียงหลายอย่างเนี่ยเขาจะไม่ใช่และในสําหรับสําหรับ สุดท้าอันสุดท้ายนะแต่อันนี้เนี่ยเขาก็ต้องแปลตามภาษาเพราตามภาษามีวาววาวาเนี่ยเป็ว่าและและและแต่ภาษาไทยนี่ไม่และเยอะนี่ไม่ไม่ได้นะภาษาเนี่ยและและไม่มีไมนต้องมีนะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยอันนี้และอันนี้แสดงว่ามันสองอันนะไม่ใช่อันเดียวเอาอันนี้และอันนี้คือถ้ามันอันเดียวกันก็เอาอันเดียวเลยใช่ไหมอันนี้และอันนี้แสดงว่ามันสองอันนะ อินนามัสซาดก้ตูริฟุกอร้ยวันมาสักินแสดงว่าคต้องสองอย่างอะต้องสองจำพวกที่ไม่เหมือนกันทัศน้หนึ่งบอกว่าฟักีรคือจนสุดอะจนสุดจนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรียกว่าในบัญชีเนี่ยศูนย์ในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยตูย้เย็นไม่มีอะไรมันก็ไม่มีตู้เย็นไม่มี เขาไม่มีอะไรเลยอันนั้นอักตีสมิสกีนะมีมีแต่ไม่พอมีแต่ไม่พอคําคำว่าไม่มีอะไรเลยกับคำว่ามีแต่ไม่พอเนี่ยอันนี้เนี่ยในธรรมราธรรราของอุลามารุ่นก่อนถ้าเขาลงรายละเอียดนะ เขาจะมักจะพูดถึงเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องจำเป็นในเ่นเรื่องอาหารการกินถ้าลงรายละเอียดเนี่ยบางทศนัที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นเช่นเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีในในตำราของนิติศาสตร์ของมูลมารุ่นก่อนนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่ต้องที่ที่ที่พึงมีและมีความจําเป็นเนี่ยมันไม่ใช่กินอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใชกินข้าวดินปลาอย่างเดียวนะแม้กระทั่งรักษาพยาบาลมันไม่ใช่ค่ายายอย่เดียวนะไม่มันคือปัจจัยปัจจัยสําคัญในชีวิตถ้าไม่มีปัจจัยนั้นๆน่นนะมนุษย์นี่จะเดือดร้อนจะลําบาก ปัจจ <complaint, S 1> ัยอะไรปัจจัยที่เขาสามารถดํารงชีวิตได้ประกอบด้วยหนึ่งที่อาศัยอยู่สึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้อยนะอุลัมาที่จะพูดเรื่องนี้ในรุ่นก่อนนะที่จะพูดเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีที่เขาบอกว่าแต่เขามีความจําเป็นที่ต้องต้องรับสกาดจะได้มีบ้านที่อาศัยอยู่ที่มั่นคงเนี่ยอาจจะมีอุลัมาบางท่านที่อาจจะพูดพูดแบบเว็บเว แต่โดยรวมมาในการพูดถึงเรื่องโครงสร้างปัจจัยที่จะเป็นสิทธิของจำพวกที่จะรับสกันี่นะไม่ค่อยมีระบรุเรื่องนี้อุลมามะในายุคปัจจุบันจึงเห็นว่าต้องมีการวินิจฉัยเรื่องปัจจัยเนียให้มันสอดคล้องกับเรื่องร่วมสมยัยเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลง อก็ก่อนนู้นอะเรเรื่องการมีที่ดินปลูกสร้างบ้านนั่งเรื่องเรื่องปัจจัยในการสร้างบ้านตะก่อนนู้นค่าใช้จ่ายสร้างบ้านนี่มันบางทีแทบแทบไม่มีเลยไอ้หนูที่ดินเอาจะไปจับจองที่ไหนก็ได้นี่ไม่มีใครจะมาโอ้ยนีน่มีที่ดินแล้วเนี่ก็เอาดินเอาทรายนี่ยแล้วก็เอาน้ำามาม า, มาปั้นเป็น เป็นอเปียกตากแดดอเ ป, เป็นเป็นห้องละมันง่ายเหลือเกินแต่ในปัจจุบันนิวทำแบบนี้ยังทำได้นะบ้านเราก็ยังทำได้นะแต่อยู่ได้ไหมผมเคยไปบ้านชน บ, บทที่อีบนะเคยเคยมียังมีคนอยู่แบบนี้บ้านดินเลยนะดินเปียกนี่แหละที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย เมื่อประมาสิบกว่าปีมึงยังมีอุลมะท่านหนึ่งอุลมะท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบสมัชทั้งบ้านเขาทั้งเมือสิล์ของเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะเอาวิธีทันสมัยนี่มามาสร้างใช้วิธีดั้งเดิมก็คือดินดินแล้วก็หลังคาเนี่ยก็เป็นกินน่งต้นไม้าเคยมี <c oughs> เคมีรูปภาพแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้รือ้อให้รื้อมสัสยิดขเข า, าเขาไม่ได้อ้างเหตุผลนะแต่เขาเขาเคาเคงผู้นำสังคมที่นะั้นเขาคงอับอายอาประเทศประเทศฉันเนี่ยมันเจริญไปถึงไหนแล้วนะเพอห่างกันประมาณสองสามกิโลนี่ก็วังบรรดาราชวงศ์ ถ้าแต่คนขับรถเนี่ยมาเอวังแล้วก็มาเจอเมลิดเป็นดินก็งอายอ่อยยนะอายในความเหลื่อมล้ํานี่แหละที่ทำให้พวกพวกนี้นี่นะแทนที่จะเอาเงินเหลือๆอ่ะไม่ใช่เงินเหลื อ, เ, อเงินล้นอนะ่ะของเขาเนี่ยไปช่วยไปช่วยชาวบ้านนะนะใครเขาสร้างบ้านเนี่ยมันจะได้ดูดีหน่อยอย่างที่อินเดียนี่ถ้าใครไปเคยเคยไปอินเดียนะไปอินเดียปากีเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะ ถนนมี่ฟังเนื่องกนนะวังหมู่บ้านเป็นวังทั้งนั้นนะอีกฟังเนืงกระต๊อกแทนที่จะเอาเงินล้นนี่นะเงินล้นของเขาเนี่ยไปไปช่วยให้เขาสร้างบ้านให้มันดูดีหน่อยนี่มันจะได้ไม่มีความเหลื่อมล้าใช่ไหมไม่สร้างอุบายจะได้ให้รัฐเนี่ยหรือไอ้กระต๊อกเนี่ยเฮ้ยเขา อ, อายโครงสร้างของปัจจัยเนี่ยมันอาจจะแต่ละสมัยแต่ละพื้นทีแ่แต่ละสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันนะ คนจะสร้างบ้านหรือจะมีอพาร์ตเมนต์มีคนดูสักห้องหนึ่งที่เมืองนิวยอร์กอย่างเงี้ยกับบ้านเราเนี่ในุงเทพ ม, มานะครนี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องคุณจะได้มีห้องมีคนดที่ห้องกรุงหรือจะได้มีบ้านที่ประเทศลาวอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยวัตใจมันไม่เหมือนกันค่าใช้ใจ่ายนั่นก็ไม่เหมือนกัน แล้วจะบอกว่าคนหนึ่งในประเทศเราเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีบ้านนะ่ยไม่มีที่อาศัยอยู่มีสีทรับสากาัดไหมเอามีสีทรับสากาดแต่เขาสีทรับสากาดเท่าไหรล่ล่ะกับคนอยู่ฮ่องกงอยู่ในเมืองหลวงเลยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงไปที่ไหนไม่ได้แล้วอยากไม่ต้องมีบ้านรูหราขอให้มีคอนโดสักห้องหนึ่งขอให้มีพาร์ทเมนต์สักห้องหนึ่ง เป็นของเขาถือกรรมสิทธิ์เป็นของเขาเองไง น, นะค่าใช้จ่ายอาจจะหลายสิบเท่าคนที่จะสร้างบ้านที่ประเทศลาวเป็นไปได้ฉะนั้นการประเมินสิทธิรับสการและจํานวนรับสการนี้แต่ละพื้นที่นี้ไม่เหมือนกันรวมถึงเรื่องปจอัจจัยอื่นๆเน่ยราก็บอกพูดถึงปัจจัยเรื่องที่อาศัยอยู่ปัจจัยอาหารการกินการรักษาพยาบาลปัจจัย การสร้างครอบครัวเป็นปัจจัยคนจะแต่งงานไม่มีเงินจะแต่งงานเลยมีสิบราสการมีและที่นักวิชาการส่วนมากอะไม่ค่อยมีพูดถึงแต่มันมันเป็นเรื่องที่หลักการศาสนานีนรองรับอยู่แล้วการศึกษาเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยทําไมเป็นปัจจัยเพราะในปัจจุบันเนี่ยคนที่ขาดการศึกษา จำเป็นจะต้องขาดไรายได้ือคนที่การศึกษาไม่ดีนะรายได้เขาก็จะไม่ดีอันนี้โดยรวมนะโดยรวมโดยรวมเราไม่คิดถึงหรือไม่นับคนที่แบบว่ามีอริยะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาเลยแต่เป็นสิทธีอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นอาจจะมีบางคนเนี่ยมีความฉลาดมากกว่าคนที่ศึกษาซึ่งเรื่องนี้ แต่แล้วคนนี้ไม่เหมือนกันเราพูดถึงกฎโดยรวมของคนทั่วไปการศึกษานี่ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันรักษาพยาบาลที่อาศัยอยู่อ า, าหรออารการกินนะมาเรื่องอาหารการกินรวมถึงเรื่องเรื่องเค ร, รื่องนุ่งห่มด้วยคนไม่มีไม่ไ ม, มีจะสวมไม่มีจะใส่นี่มีเสรีภาพสังกัไม่ไมีซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีมาตรฐานที่พอที่จ ะ, ท, จะที่จะเปรียบเทียบได้อ่ะนะ ก็คือเงินที่เบิกได้ของราชการรัชการนี่คือจะให้เบิกเรื่องที่มันจำเป็นเห็นรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยทำจมูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกคุณจมูกไม่สวยแต่ก็ชีวิตอยู่ได้พออยู่ได้ เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเริ่มเริ่มพิจารณาทําฟันได้ไหมนี่เขาเริ่มคิดกันแล้วทําฟันมันต้องทาฟันได้แต่ก่อนนู้นน่ะแต่คนจนนี่มีปัญหาเรื่องฟันนี่นะเบิกเรื่องเดียวอะไรรู้ไหมถอนค่าถอนเห็นังไงคนที่ไม่มีเงินจะทําฟันน่ะนัก็ทําไมอ่าก็คนคนทุกคนนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีฟันน่ะในเมื่อแพทย์นี่มันอนํานวยได้ เราขอนเบิถอนอย่างเดียวถอนถอนจ น, นหมดไม่มีฟันแล้ว <laughs> อ่ะอยู่อย่างเนี้อปัจจัยอ่ะมันเป็นปัจจัยอ่ะทีนี้ก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มคิดกันแล้วเรื่องทําฟันเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นรักษาพยาบาลที่อาจจะมีความจําเป็นแม้กระทั่งศัลยกรรมสัญญกรมญญกรมบงางอย่างอาจจะมีความจําเป็นเช่นสัญยกรรม ปลุกผมนี่มันไม่ได้อยู่แล้วปลุกผมนี่บาปมีข้อห้ามมีข้อห้ามแต่มีอุลามาไดวินิชัยว่าถ้าสมมติคนเป็นโรคโรคผิวหรือเป็นโรคชนิดเช่นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรักษาเคมเคมูอย่างเงี้ยแล้วทำอะผมร่วงเาผมร่วงมันก็ส่งผลต่อสภาพใ จ, ใจิตใจ แล้วคนที่รักษามะเร็งเนี่ยสภาพจิ่ใจต้องเข้มแข็งเพราะนี่พราะถ้าหากว่าทุกวันเนี่ยคือการรักษาฉีดเครโมแล้วก็แล้วก็ไปมองกระจกโอโ้โหนี่มันมันมันสลุดใจอะ่พะพอมองสภาพตัวเองวันนี้ไม่เอาแล้วไม่อยากแล้วแต่ถ้าหากว่าเออทำให้เข้านี่มีผมบ้างมีอะไรบ้างเขาจะรู้สึกว่าเออเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยสภาพจิตใจอันนี้เป็นแนววินิชัยอย่างหนึ่งว่าสัญญากรรมอะไรบางอย่างเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เสมอไปหรือจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเสมอไปไม่ใช่รวมถึงคนที่ประสบอุปัติเหตุแล้วก็อวัยวะบางส่วนนี่เขามีอวัยวะอยู่แล้วแต่อวัยวะบางส่วนนี่มันเสียหายไปจมูกปากคิว้วอะไรเงี้ยทำสัญยกรรมได้ไหมได้ไอศัลยกรรมที่ไม่ได้นี่คือสัลยกรรมตกแตง่งสัลยกรรมนี่คนสยามอยากจะเป็นเกาหลี คนบราซิลนี่อยากจะคล้ายไทยไทยหน่อยมีนะมีนะคนที่อยากจะได้หน้าตาคนไทยไทยหน่อยเนี่ยเริ่มมีแล้วนะเอออันนี้อะไรแบบเนี้ลเลิศเธอแบบนี้ น, นี้ไม่ใช่แต่สัญญากรรมนี่หมายถึงว่า อ, อฟื้นคืนสภาพเดิมเดิมของเขาเนี่ยนี่ได้และเป็นสนัญญากรรมมันก็เป็นสนัญญากรรมแพทย์เดี๋ยนี้ทําได้มันก็ทําได้ คนปศุพิธิเหตนุนี่โอโห้หน้านี่มองไม่ได้เลยสเน่ญญคัมตัวนี้ทําได้หมดทําได้หมดเลยเอาภาพเดิมของเขาอันนี้ถือว่าเขาไม่ได้ตกแต่งนะ่ะแต่แพทย์นี่มันช่วยได้ยานี่ที่อัลลอฮฺให้เราได้ศึกษานมันช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เยียวยาแล้วก็ทําให้เราได้รักษาพยาบาลที่มีความนีรทั้งหมดเนี่ย อาจเป็นความจำเป็นที่เราไม่เคยคาดคิดว่ามันเป็นสิทธิของคนยากจนที่จะเบิกจากเงินสกาดถ้าเราส่วนมากนี่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็ให้พอกินพอกินข้าวกินปลาก็บุญแล้วให้เนี่ยสากาัดที่จะให้ฟุกอราและมาซากินหรือกูมันอื่นเนี่ยให้เท่าไหร่่ะ ทัาสนะที่เรียกว่าขี้เหนียวที่สุดนะทราสนะที่ขี้เหนียวที่สุดเนี่ยอาบูฮานิฟาบอกว่าอย่าให้เกินพิกัดของสกัดอย่าให้เกินพิกัดของสกัศพิกัดของสกัดเท่าไหร่แต่ห้าสิบแปดกรัมทองคำประมาณหแบบหกบา ท, บาทคือหกบาทหรือบาทกว่าเนี่ยที่เรากาหนดเป็นพิกัดเนี่ย มันก็มาจากตรงนี้แหละที่จริงเนี่ยมันมาจากมันมาจากเครื่องตวเครื่องช่างสมัยนนะ้นก็คือมิสกอลแต่ถ้าอายี่สิบมิสกอลยี่ิบรอยเขามาเทียบแล้วเนี่ยเทียบแล้วเนี่ ย, ยก็ประมาณห้าประมาณแปดสิบห้ากรัมแ้่เรามาเทียบน้ําหนักบ้านเราเราจะใช้บาทเนี่ยเขาบอกก็ประมาณหบาทหย่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้บาทละเท่าไหร่ละบาทหนึ่ง สามมืนองอบาทเท่าไหร่แสปประมาณสักสองแสประมาณสอง0สประมาณประมาณแค่งเลข ก, กลม ๆ, ๆห้ามมาซาวันนี้มาห้ามให้เกินพิกัดสกัดทำไมอ่เะเขาก็บอกว่าคนที่ไม่มีพิกัดสกัดนี่ก็ไม่ต้องออกสกัดใช่ปะแต่เราจะให้ถึงขนาดที่เขา มีเงินเหลือจะได้ออกสากาัดนี่อันนี้มันเกินมันเกินเหตุแล้วจากนั้นจะให้ให้อย่าให้เกินพิกัด ส, สากาัดอย่าให้เกินแสนแปดหรือสองแสนประมาณอันนี้ที่ที่ถือว่าขี้เหนียวที่สุดอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าให้เขามีความเพียงพอหนึ่งปีปัจจัยทุกอย่างให้เขามีความเพียงพอหนึ่งปีอีกทัศนะหนึ่ง ให้เขานี่มั่งคั่งย้ายทะเบียนจากคนจนนะนะมาเป็นคนรวยชบอันนี้นี่ที่แบบเต็มทีๆๆๆๆ่เทลยทุกทัานะนี่มีเหตุผลทุกนทนทุกทัานะาธใช้ได้กับแต่และคนบางคนคือไม่ได้มีข้อบังคับโภชการนี่จะต้องต้องต้องให้แสนแปดนะไม่ใช่ีาบางทีเระ เราอาจจะให้หลายคนกล้มันก็ไม่ถึงแต่คนละพันคนละหา้านี่ก็ยังได้นะแต่ น, นี้อันนี้พูดถึงขอบเขตอย่าให้มากกว่านั้นนะ่ะอย่าให้มากกว่านั้นหนึ่งให้อย่าให้เกินพิกัดสองอย่าให้เกินปัจจัยที่จะให้เขาเพียงพอหนึ่งปีอีกทัศนะหนึ่งก็คือย้ายเลยแต่ไม่ใช่ว่าเอาสากาัทั้งหมดในโลกนี้มาให้คนเดียวนึงให้เขาเศสถีไปเลยนี่ไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่ไง ใจเขามีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในบรรดาปัจจัยทั้งหลายซึ่งส่วนมากสจาการในยุคของท่านนาบีแล้วก็ยุคสฮฮามบ้านี่ยส่วนมากเขาจะใช้สามทศนานนี่อย่างน้อนี่ก็จะให้นี่ไม่ครบพิกัดนี่คือให้เงินเยอะคาา น, นที่จะการนี่กันที่ให้แล้วนี่ก็คือต้องอยู่สักพักนึงอยู่แบบมั่นคงอ่ะแต่ช่วงหลังนี่นะโดยช่ง ในยุคหลังๆนี่นะครับไม่ใช่เรามักจะให้สกัดเล็กน้อยเพราะเพราะอะไรเพราะสกัดมันน้อยเพราะคนสกาัดคนจ่ายสกัดน้อยปริมาณสกาัดจำนวนสกาัดน้อยและคนที่รับสกาัดเยอะความไม่มีบรุรการของ การฝา่าฝืนหลักการศาสนาเนี่ยเห็นไหมมันลามไปถึงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมนี่มันเกิดจากเรื่องนี้เกิดจากเรื่องนี้และเศรษฐกิจต่างๆที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจดีประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยต้องลดความเหลื่อมลำ้ำด้วยการเก็บภาษีให้มีความยุติธรรมและ ให้บริการและสวัสดิการกับประชาชนให้ยุติธรรมไม่พอขอให้รัฐนี่เขาบอกว่านี่รัฐบาลใหม่นี่จะแจกคนละหมื่นนะครอบครัวห้าคนนีห้ามืนนะกี่คนที่บ้านกี่คนโอ้ยรวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะทำไม่ได้ ในวินาทีสุดท้ายนี้จะมีอิลานะเออยกเงินยกเงินยกเงินยกเงินจะมีเงินไขยเยอะยะให้ให้ใ ห, ให้คนละหมืน่นให้ให้แต่จะมีเงื่อนไขซ่อนซ่อนเด่นอยู่คุณไม่มีสิทธาาิ์ทำไมอาออกมามีเงื่อนไขมันเหมือนเรื่องประกันการเมืองเหมือ น, อนธนาคารเหมือนกันหมด สุดท้าเียเขารับปากว่านช่ให้ให้ไงเหมือนตะก่อนนูนะ้นรักษาทุกโรคเท่าไหรนะ่นจริงปะไม่พอไปรักษาจริงอะอันนี้มันไม่ไอยู่ในเงื่อนไขและะ้วก็แล้วก็ตอนหาเสียงนี่ทําไมไม่บอกละ่ะทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้นี่นะรักษาจริงเงินนะสาสิบาทแต่ไม่จ่ายนะผมเคยนะคุณพ่อผมนี่รักษานี่ก็มีนะจ่ายไปเจ็ดพันแสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่สามสิบบาทจริง แล้วโรคแต่ละชนิดนี่นะอ้าไอ้สามสิบบาทนี่คุณถ้าคุณไปอ่านระเบียบของพวกหมอพวกไอ้ที่ใจเภสัชทีจ่ยยานอะโอ้โหปวดหัวพอไอ้สาสิบาทนี้อันนี้ประเภทยาพวกสามสิบบาทอันนี้พวกสามสิบบาทแล้วแล้วพวกคลินิกนอกล่ะอันนี้ก็มียาอีกชุดหนึ่งสําหรับครับ อันนี้คืออะไรอันนี้คือความเหลื่อมล้ำก็สวัสดิการพื้นฐานของชาวบ้านนี่คุณบอกก็ไปเลยพื้นฐานของชาวบ้านนี่รัฐเนี่ยรัฐเนี่ ย, ยต้องให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างเดียวทุกคนคนรวยเข้านี่นะได้สวัสดิการเหมือนคนจนนี่องค์กรของรัฐต้องให้สวัสดิการที่เหมือนกันแตามันยังไม่ใช่อ่ะ รัฐนนี่ก็ยังมีของเหมือนเอกชนนี่แหละมีของวิเศษแม้กระทั่งห้องนอนต้องมีต้องมีเส้นมีสายแต่ตตคุณตกขอบนี่ก็คืออยู่ห้องรวมนี่แหละมีห้องรวมเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมมีอะไรนี่ก็แต่แล้วแต่แล้วแ ต, แวแ ต, แวแต่แล้วแต่สถานภาพแล้วแต่ ใครบอกว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีไม่มีแบ่งวันนะใครบอกขึ้นเครื่องยังมีเลย first class เป็นว่าอะไรอย่าง first class แบ่งวันได้ไหม long l ดูดิรถเมย์นี่มี first class โอประทตวงกันทั้งประเทศลองท t e ดิรถเมย์ first class ็จริงอ่ะเพราะฉะนั้น อันนี้อันนี้คือสวัสดิการของรัฐเราเอาอากาศของชาวบ้านนั้นก็แจกใช่ไหมฉะนั้นการแจกอากาศให้คนยากจนเนี่ยก็จะต้องไม่มีไม่มีแบ่งวันนะ้นี่คือแบ่งวันนั้นเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องบัตรซุป ท, ที่ที่ศาสนา ต, ต่อต้านอย่างรุนแรงอยู่แล้วและการที่เอาอากาศจากคนรวยมาให้คนจนอย่างที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุสซาลลัมบอกกับท่านอุฮาสอับดุลเจเบลตอนสมงไเป็นผู ال, ้ว่าที่เม่น وعليمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تأخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى فقراءهم لتمتّع เขาด้วยว่า Allah บังคับว่าให้พวกเขาที่จะต้องเอาสกาดจากคนรวยคืนไปให้นมิชยาโกรดตระดุคืนไปให้คนยากจนทำไมอ่ะคำว่าคืนก็แสดงว่า แสดงว่าต้องแก้ไขความเหลื่อมล้ำว่าจะมีคนที่มีตังมากกว่าไหมคนที่มีตังเกินไปนะนะก็เราไม่เอาตังทั้งหมดนะแต่คุณต้องเอาบางส่วนของสตางของท่านเนี่ยไปให้คนที่คนที่คนที่ไม่มีเขาจะได้รู้สึกว่าเออทั้งนี้ไม่ได้มีระบุในคุรานนะหรือในฮะดีสนะว่าคนที่รับสการเนี่ยห้ามรับสการตลอดชีพหมายถึงว่า เอาจำพวกนี้มาเป็นมาเป็นสถานะสถานภาพตลอดชีพไม่ต้องทำมากินไม่ต้องอะไรเลยทุกปีเนี่ยก็ไปแบมือทำไมอ๋อเป็นสกีตอ๋อเป็นมิสกินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต้องมาคือในคุดอาจก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันนะในหลยการศาสนาอื่นๆที่อัลลอฮฺตำหนิตำหนิคนที่แบมือขอตังขอทาน เร are, says, who who ื่องนี้เนี่ยจึงอยู่ในความสำนึกของมุสลิมอยู่แล้วหะดีสลดยบทท่านนะบิบบลาลลอซแลมได้บอกว่าลาต่ให้หนุน صدقات ุญี่นี่ยนลาลิดีมรตินซวย صدقات นี่คือการหนุอ صدقات การให้ทานเนี่ยไม่อนุญาตให้คนแข็งแรงได้รับหรือคนร่ำรวยฉะนั้นคนรวยนี่ไม่ควรที่จะแบมือนั้นคนแข็งแรงที่สามารถทำงานได้ไม่ควรที่จะแบมือความสำนึก สำหรับผู้สถาเนี่รู اه, ้แล้วอัลลอฮฺยังบอกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์รับสการแล้วก็ไปรับสการเงินที่เขารับเนี่ยเงินห้ารอมถ้าไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีสิทธิ์ที่ว่าเป็นเงินห้รอมเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลคนที่รบับสการเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่ถือเป็นอาชีพการขอทานรบาับสการ์ เป็นอาชีพเลยอันนี้นี่ก็ต้องคัดมีสิทธิจะคัด่างมีสิทธิทำไมเพราะเท่ากับเขากำลังเอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่มีสิทธิ์มากกว่าเขาและเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องสำรวมตัวปกติแล้วอัลลอฮสุบฮานาวาตาลในกุร้านี้สันเสริญสันเสริญคนที่ไม่แบ้มือขอสกัาแลายัสอลูนันนสัยล่า ไม่เขาไม่ขมขอและในประเทศที่มีผู้สทาประเภทนี้เนี่ยการออกากัดเนี่ยค่อนข้างยากและผมสนิทีฐานว่าในยุค ข, ของรรอุมริาลำดยลาอาซิสและคาร์ลิฟาหลายท่านในประวศาส์ที่เขาบอกว่าเงินสกาศเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคนรับได้ส่วนมากนะักประวิศาสติตีความมันก็หมายถึงว่าสังคมนีมีความร่ำรวย ไ ด, ได้ประชาชนทุกคนเนี่ยดีจนไม่มีไม่มีคนจนแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทุกยุคทุกสมัยก็ ม, มีคนจนแต่ทีความได้ว่าส่วนมากสังคมนี่รายได้ดีและส่วนน้อยที่มีคนยากจนนี่น้อยมากนะก็เป็นประเภทคนที่สารวมตัวไม่เสนอหน้า Instagram. ไม่ไปแบมือไม่ไปขอขอรำสขาดผมจะรำสการยางไง ก่อนนุ่นเขาไม่ทํากันสมัยสรับเนี่ยเขาไม่ทํเขาอร่วมตัวแล้วแต่ก่อนนุ่นเจ้าหน้าที่นี่ยเขาจะเหนื่อยเหนื่อยในการที่จะหาคนประเภทนี้คนประเภทที่เขาไม่มีใครรู้แล้วเวลามีใครไปถามเขาพยายามคือแต่ใครจะรู้เนี่ยต้องคนแบบว่าใกล้ชิดสนิทมากเคยเข้าบ้านหนึงจะเห็น แล้วคนพวกนี้ในเวลาออกไปข้างนอกเขาแต่งตัวอย่างดีเขาแต่งตัวอย่างดีแล้วก็อยู่ในสภาพแสดงตัวในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ให้ใครสงสัยว่าเขาเขาเขาขัดสนเขากําลังลําบากเขาไม่ยอมเลยเขาถือว่าศักดิ์ศรีทําไมคนที่รับสการน์นี่เป็นคนที่ลดศักดิ์ศรีของตัวเองถึงแม้ว่า มีสิทธิี่รับสการ์แน่นอนเพราะคนที่อยู่ในสภาพที่รับสการนี่ก็เป็นคนมือมือล่างและคนที่ให้นี่คือมือบนอันั้นนี้ในเมื่อมีล่างแล้วก็มีบนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีบนมีล่างนี่ถ้าเราอยู่มันศักดิสิแล้วพวกนี้ประเภทนี้เนี่ยจะให้สการ์เนี่ยงบบก็ต้องแอบแอบให้ฉะนั้นสลับตอกก่อนนู่นนะ เขาจะชอบให้สการแบแ บ, แบไม่ใครรู้แม้กระทั่งคนและอันนี้เนี่ยมันจะสบายใจทั้งสองคนที่ให้แบบแอบแอไม่ไม่ต้องรู้ว่าคนที่ให้เป็นใครนะเขายิ่งได้ผลบุญทวีคูณนะและคนที่รับสกาเนี่ยจะไม่รู้เป็นคนให้นี่าก็จะรักษาศักดิ์ศรีของเขานี่ไม่มีท่านนอบดุอาลีอับดุลอาบดี เขาบอกว่าบาเขาเนี่ยเป็นรอยเนี่ยดำดำไปเพราะทุกคืนเนี่ยแกจะแบกกระสอบเองนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ลูกน้องเนี่ยเพราะแกจะไปแจกสดอคอเนี่ยด้วยตัวเองแบกกระสอบไปตามบ้านเนี่ยกวา้งดึกๆกเนี่ยตามบ้านเนี่ยก็ไปวางทั้งเงินทั้งอาหารหน้าบ้านชาวบ้านไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้คนจะรู้เนี่ยกัน ต, ตอน ตื่นสูโบตื่นสุโบนี่ไปละหมาดที่มัสซินเนี่ยจึงเจอของไม่รู้แต่ก็รู้นี่ว่าคนมาให้เขาแลรู้แลรู้นี่ว่าป็นคนคนคนที่มีสิทรับสากาัดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครให้มารู้นี่วันวันที่ไม่ไม่มีวันที่ไม่มีแล้วเสียชีวิตอ๋อมาวานนั่นเองคนนั้นเสียชีวิตเ ส, สนอว่าคนนี้แหละ ันนี้แหละแม่เาเรียนตับซีรนะแมวดำๆเนี่ยจะเป็นยินก็ได้นะไม่แน่พูดเล่นนะเดี๋ยวจะเอาไปพูดนะามียินมาเรียนตับซีรกันชพูดเล่นอ่สรุปฟุกุระเลบะซากินนี่ก็คือคนนี้ไม่มีแล้วแต่เวลาบาที่เขามีทต่สะที่แตกต่างกันว่าละตีรอันนี้ที่ย่ที่สุด มิสกีนบางไม่มีอะไรเลยมิสกีนเนี่ยมีแต่ไม่พอแต่คำถามแล้วทําไมเอาหน่แยกล่ะโอลิมาบอกว่าแยกนั่นน่ะดีที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าคนที่มีสจรจาการจะต้องคนที่ไม่มีอะไรเลยเพราะจะบอกว่าอินมาซ่ากุลฟุการะอย่างเดียวน่ะทำหมายถึงว่าคนนี้ไม่มีอะไรเลย แต่คนทีนมีแต่ไม่พอนะไอ้คุณก็จะมีนี่ไม่มีสิทธิรับสกาัดใช่ไหมแต่ได้หากว่าแยากไปแล้วว่ามีสองกลุ่มมีฝูงกรร้าแล้ก็มาสดงว่าทั้งสองกลุ่มเนี่เขามีสิทธิจะรับสากาัดไม่มีเลยเกี้ยงเข้าที่บ้านเนี่ยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีอะไรจะใช้ไม่มีอะไรเลยอ่าฟะฮ์กีร์ น, นี่ในชีวิตเนี่ยไม่เคยอันนี้อ่านในตำรา ว่าไม่มีอะไรเลยในบ้านไม่มีอะไรเลยและไม่คิดว่าในชีวิตเนี่ยน่าจะมีคนแบบนี้หมายถึงว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยคาว่าเข้าใจมากาไม่มีอะไรเลยตู้เย็นไม่มีเตาแก๊สไม่มีหม้อเมื่ออะไรนี่ไม่มีได้ไปแล้วเจอจริงด้วยมีด้วย คนที่บ้านเขาไม่มีอะไรเลยบ้านเรานี่ยยังไม่เจอนะแต่ที่อื่นนี่ผมเจอมาละคือบ้านเราเนี่ยถ้าเราเออแย่ที่สุดเนี่ยก็คืออยู่บ้าอยู่บ้านแบบบ้านหลังคาสังกะสีน้ำรั่วแต่เข้าไปก็ก็ยังพอมีนะมีพัดลมพัดลมมาเลยเราก็ถือว่าแย่ก็แย่จริงๆอะนะแต่ก็มีไงยังมีอนั้นอะขัดสนนั้นอะขัดสนก็ยังถือว่าขัดสนไม่ใช่ไม่ใช่ฟะกี แต่เรื่องนี้ในสมัยก่อนนะั่นะมีเยอะเขาเข้าไปในบ้านนะ่ยไม่มีอะไรเลยแตบ้านไม้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยเคยเคยเห็นคลิปนาแล้วนะที่ประเทศลาวเนี่ยมีคนที่ชอบทําบุญนะ่ะนะก็เคยไปทําบุญในชนบตรเนี่ยก็อโต๊ะอยู่ในบ้านนะี่ยายอยู่ในบ้านหนูคนเนี่ยไม่มีอะไรบ้านไม่มีอะไรเลยบ้านไมนะ้นี่ย้องเดียวแทบไม่มีอะไรเลย ลงเท้าก็ไม่มีจะใส่เลยเออสแสดงว่าประเทศยากจนนะ่ะของพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีแต่บ้านเราเนี่ไม่ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนนะคนยากจนคนฟากีตและก็มิสกินบ้านเราเนี่แต่เทียบแล้วเนี่ยในมาตรฐานประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพมา่ากัมพูชาลาว์นี่ไทยนีย่ถือว่าถือว่าประเทศที่มั่งคั่งนะประเทศร่ํารวยจริงๆนะ นี่เราต้องเราต้องยอมรับถือว่าเป็นเน亚马ที่ Allah Subhanahu Wa t a า l าให้กับพวกเราแล้วก็เราต้องขอบคุณ Allah s u b h a n แล้วพยายามทำหน้าที่ในการในการที่จะรักษาเน亚马นี่ไว้เท่าที่ทำได้อย่างน้อยเนี่ยในในฐานะที่เราเป็นมุสลิมรักษาเน亚อยังไง 1. ลดทำบาปให้น้อยที่สุดทำความดีให้มากที่สุดแล้วก็บริจาคเท่าที่บริจาคได้เพราะกี่มากน้อยที่อัลลอฮฺได้เตือนนะประชาชนที่เนรคุณต่ออัลลสุภาพนะว่าอะทำบาปเยอะทำบุญน้อยตรณีไม่บริจาคทานเนี่ยเราก็พลิกสถานการณ์จากคนรวยนี่เป็นคนจนหมดเลย อันนี้มัศดัตการุ่นลูกค้าร้ายแแท้จริงแล้วแท้จริงอันนี้ก็แปลเขาบอกว่าแท้จริงทานทั้งหลายสอดรับทานทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็อาจจะเข้าใจว่าทานทั้งหลายรวมถึงสอดรับอาสาด้วยสอดรับอาสา น, นี่นะไม่จําเป็นต้องให้แต่แปดจําพวกสอดรับอาสานี่ให้คนรวยก็ได้นะ โซนอก็อาสานี่นะไม่มีเงื่อนไขเลยให้ใครก็ได้จะให้คนจนจะให้คนรวยให้ใครก็ได้ให้ญาติไว้ให้ญาติให้ใครก็ได้โซนอก็อาสาแต่อันนี้เนี่ยถ้าไปจะโวนี่เกิดมาในมูสกาดหนึ่งห้ามออกนอกแปดจำพวกนี้โดยเด็ดขาดอัลลอฮฺบอกว่าให้สําหรับบรรดาผู้ที่ยากจนและบรรดาผู้ที่ขัดสนสําหรับ สำหรับนี่ก็คือลิลลิลฟุกอร์ลิล ล, ล, ลิลเนี่ยลามเนี่ยภาษาหราเขาเรียกลาหมดตำลิกตำลิกแปลว่าลามให้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งความหมายนี่มันต่างกันนะอย่างสิ้นเชิงเวลาคนรวยนี่ให้คนจนนะ คนคนรวยเนี่ยเขาอวดอวดความดีเนี่ยเ ง, น ง, นงินดิเงินดิมึงได้เนี่ยของใครของกูนะที่ใช้สะพนามหยาบคายเนี่ยนะเพราะอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายเนี่ยพอไม่มีหรอก คนรวยใ่ว่าเงินที่ท่านรับไปเนี่ยเป็นเงินของข้าพเจ้าไมไมเขาไม่เาไม่พูดแบบนี้หรอกความรู้สึกบัดซบแบบนี้เขาก็คงใช้คำอยางเอเงินเนี่ยมึงได้ได้มาจากเงินของใครกูนี่เราบอกว่าไม่ใช่อินนามัสตะกตลิลฟุาระตะกาที่มาจากเงินของคุณน่ะไอ้ไอ้เมื่อไงคนรวยนะลิลมันเป็นของคนจนน่ะแต่เดิมอะ คิดดูสิซาสนาอิสลามมันกำลังสอนคนรวยบอกว่ามันมีส่วนหนึ่งของเงินของคุณเนี่ยนะมันช่ของคุณนะแล้วคุณต้องตัดเงินนี้ออกจากทรัพย์สินนี่นะไปให้เจ้าของเขานะคืนเจ้าของเขานะนะะดีฉบอกว่าตัรถดุให้คืนไปยังคนยากจนนะเงินของคุณเนี่ยจะได้ถูกจําแนกแล้วคุณจะได้ใช้ได้อย่างสบายใจถ้ายังไม่เอาเงินนี้ออกนะเงเท่ากับโจรเอาเงินคนอื่นเนี่ยมาใส่เงิน แล้วมาปนกันนะนะเงินแล้วเงินไม่ใช่ของตัวเองปนไปหมดแล้วของใครของคุณนะตัวไหนอ่ะที่คนธรรมชาติตัวไหนอ่ะโตนนะลิลฟุกรุระเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่และนี่คือเหตุผลที่อุลามาได้บอกว่าเขาบอกว่าสดาอดรักนี่เหมือนคนตายคนตายเนี่ยต้องรีบฝังสการ์เนี่ยต้องรีบออกต้องรีบจ่าย เก็บไว้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยออกด อ, อกปีหน้าเด อ, อกดออกปีนู้นน่ะไม่ได้ปีไหนก็ปีนั้นเลยออกปีนั้นเลยเพราะอะไรเพราะดูภาระอากาศของปีหน้าละ่ะปีนี้ยังไม่ออกแล้วก็ปีหน้าละ่ะมันจะติดกันอนะ่ะมันจะชนกันนะถ้าช้าเกินไปนี่นะยิ่งช้าก็ยิ่งบาป ช้าในการออกอากาศนี่ก็เหมือนช้าในการแบ่งมรดกยิ่งช้าก็ยิ่งบาปทาไมเพราะมรดกมรดกเนี่ยไม่ได้เป็นทรัพย์สินของผู้จัดการมรดกหรือของทายาทคนหนึ่งคนใดมันเป็นสิทธิของทายาททั้งหมดเลยของคนที่มีสิทธิและมรดกในมีคนหนึ่งจะอมมรดกอยู่มาก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวิ่เย็นรีบไปไหนไปไหนครับทําไม เฮยมันต้องมันต้องดูนั่นก่อนดุต้องคำนวณอุ่นนี่ก่อนยิงช้ายิ่งบาปทาไมก็เงินคนอื่นเงินคนอื่นเขาสับสนคนอื่นเขาดีก็เหมือนกันเขาเข้าใจวัสาาการนี่เป็นเงินของของเขาเองถ้าเขาจะชาเนี่ยก็ยังเป็นเงินขอ ง, ของกูเองอะ่ะไม่ใช่นะต้องปรับความเข้าใจตรงนี้เนี่ยวะ่ะ ส่วนสกัที่มันอยู่ในเมื่อครบพิกัดแล้วเนี่ยยิ่อยู่ในทรัพย์สินเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของท่านต้องเข้าใจเดังนี้ทีต้องแยกออกพอ่อมอบให้ฟั ก, กีรมิสกีแล้วเนียหรือแปดจำพวกนี้นะอันนั้นถือว่าท่านได้ให้เขาถือกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เราถือกรรมสิทธิ์นะเช่นเดี๋ยวจะมีจําพวกหนึ่งอ่ะพวกที่ที่มีหนี้สินล้นพ้น พวกที่มีนี่ยรอไดมีดก็มีคนมาถามว่าผมนี่มีลูกหนี้นี่ติดหนี้เนี่ยโอ้เนี่ยเป็นหปีนี่ไม่ยอมจ่ายสัทีหนึ่งผมเนี่ยสะกดเนี่ยนี่อยากดูจะให้เขาแต่ไม่ให้เขาเนี่ยมาใช้หนี้ที่เขาติดกับผมนี่ได้ไหมทากันเยอะทากันเยอะอุ丘ชาแบบเนี้ยถ้าเราถ้าเราเป็นเขาล่ะ มันจะสวยงามไหมไม่สวยงามไม่ต้องให้เลยถ้าไม่อยากจะให้นี่ยก็ไม่ต้องให้เลยควรไปออกสัการในที่อื่นซะแต่ออกสัการต้องเขียนสักการณหนึ่งว่าต้องให้เขาต้องถือกรรมสิทธิ์แต่คุณกําลังถือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วบอกก็ออันนี้หักกันนะอันนี้แกยืมฉันนั่นและอันนี้สัการนะอ่าอันนี้ก็หักจากอันนี้นะแล้วก็ไม่ได้ให้เขาไม่ได้ ไม่ซ้พรเขาไม่ได <r isa> ้ถ <ure> ือกันมาสิมีเรื่องหนึ่งที่อัลลอฮเขาขัดในยุคปัจจุบันนี่ยเขาขัดแย้งกันในอดีตเนื่องจากว่าสถาบันไม่ทุนมาสเนี่ยที่มีแหล่งรายได้หนึ่งในแหล่งรายได้ต่างๆเนี่ยสกาดเนี่ยมียุะเยอะถึงขนาดที่ยุคคาลิวาท่านหนึ่งให้สกาดคนขัดสนเนี่ย น้ที่มนบอกค่รีว่าให้หมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วไปซื้อทาดมีใครที่เป็นทาดนี่ยอยากจะปล่อยตัวเนี่ยไปซื้อทาดปล่อยซื้อหนึ่งจนปล่อยหมดแล้วไม่เหลือแล้วไปให้ด้วยนี่คนอยากจะแต่งงานใครอยากแต่งงานให้หมดให้แต่งงานใครต้องการให้หมดให้หมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครเหลือแล้วเขาหรืวา่าเขาวอะไง ไปซื้ออาหารแล้วก็ไปทิ้งบนยอดภูเขาเนี่ยให้นกกินสะจะได้ไม่มีทั้งคนและสัตว์เนี่ยเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วทั้งคนและสัตว์เนี่ยไม่มีใครขัดสนสัตว์ก็ไม่ต้องต้องไม่หิวด้วยสมัยโน้นน่ะคือเงินสดาานี่มันเยอะจริงๆฉะนั้นเขาไม่กลัวเงินสากดานี่จะหมด เพราะปีเดียวเนี่ยปีหน้าล่ะไม่แต่ปัจจุบันนี่คนออกสักการสักการน้อยบางคนเข้าใจศาสนานี่น้อยอย่างนี้ถ้าสักการถ้ามาเนี่ยให้ให้ให้มันก็หมดแล้วปีหน้าเนี่ยไม่แน่ด้วยนะม่นจะมีหรือไม่มีมันก็แล้วแต่อลมาก็เลยคิดอลมายุคปัจจุบันนะยุคก่อนก็ไม่มีไม่มีทัศนะนี้เลยนะปัจจุบันเนี่ยเขาคิด ว่าเงินสกาศก้อนใหญ่ที่มันมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยถ้าเราแจกจ่ายรายบุคคลนี่นะมันก็หมดเกี้ยงแต่ถ้าเราเอามาทำธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมันก็จะดีสำหรับคนยากจนถ้ากรณีที่สกาศปีหนึ่งมันน้อยไปหรือไม่มีเลยนะก็อย่างน้ยก็มีรายได้ของสกาดปีก่อนนี่นะที่เราทำธุรกิจไว้เนี่ยมัน สร้างอะไรได้ต่อเนื่องช่วยเหลือคนยากจนเย็นต่อเนื่องเรื่องนี้ดูหรูหรูดีนะแต่มันแต่มันก็ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อง่ายแต่เขาก็คุยกันนะว่าทำได้ไหมแล้วเรื่องนี้ลามไปถึงเขาเขาเทียบเทียบมาเทียบมากับเรื่องเรื่องหัวกัฟหักัฟนี่ก็คือทรัพย์สินอุทิศไงหัวกัฟที่ดินหวกัฟทรัพย์สินอะไรเงี้ย คือถ้าว่ากัปเนี่ยสมมติเราเขาว่ากัปที่ดินว่ากัปอพาร์ตเมนต์แล้วบอกว่ารายได้เนี่ยก็ให้สุราให้โรงเรียนให้องคอนน์กร น, นู่นองค์กรนี้เขาบอกว่านี่ไงแสดงว่าเราสามารถที่จะให้ทรัพย์สินที่ทําบุญเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นจาริยานี่หลายรินมีมีรายได้หลายรินมันจะได้ไม่ไม่ชะ ง, งักอยู่กับที่ไงแต่ถ้าเงินสกาดนี่เป็นการ เป็นการเก็บแล้วก็จ่ายเก็บคือเก็บแล้วจ่ายเนี่ยเก็บแล้วจ่ายเนี่ยมันก็หมดมันไม่มีไม่มีทฤษฎีอื่นแต่ถ้าเราเก็บแล้วก็มามาฟื้นฟูให้ให้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เนี่ยมันก็จะไม่หมดคือจ่ายแค่ไหนมันก็ไม่หมดเพราะไอไอต้นทุนที่เรามาลงทุนนะนะมันก็มีรายได้อย่างต่อเนื้อเราเขาคิดกันะว่าได้สากัดมานี่ ซื้ออพาร์ตเมนต์ไหมมันจะได้มีไรายได้ได้สกัดมานี่เอา้าซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วก็มีไรายได้อะไรเงี้ยได้ไหมมีทศนาหนึ่งอะไรมาปัจจุบันนี่แหละซึ่งเป็นทศนาส่วนน้อยเนี่ยไม่ได้เลยสากาัดนี่ต้องเก็บมาจ่ายเลยเก็บมาจ่ายไปได้มาต้องรีบด้วยรีบให้หมดแต่ช้านี่ก็ห้ามช้ามากนะเดือนสองเดือนอย่างมากก็ข้ามปีนี่ไม่ได้ แต่มีอุลามาที่เขบอกว่าเรื่องการบริหารจัดการสกาดนี้ก็พอได้อย่างเช่นเอาเงินสกามานี่แล้วก็ บ, บริหารทั้งปีแต่แดนที่จะให้ให้คนจนเนี่ยเดือนเดียวจบคนจนสมมุดดัวจะให้เขาเดือน เ, อเดือนละพันสองพันอย่างเงี้ยเาให้เขาทีเดียวเราได้สกัดให้เขาไปเลย2อสามหมื่นเลยทั้งปีหรือให้เขาเนี่ยเดือนละสอง0ันสอันถึงปีหน้าอันไหนจะดีกว่า คือที่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันแล้วแต่คนไงแต่ส่วนมากกันนะส่วนมากอันนี้จากประสบการณ์การทาํางานทั้งเนี้ยส่วนมากกันนะถ้าส่วนมากคนชนเนี่ยถ้าได้ไปสามสามมื่น่ยหมดกับอะไรหมดกับอะไรไม่ดีมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดใ น, นยุค ป, ป, ปัจจุบันถึงมีคนมาบางคนบอกว่ามือถือนี่นเป็นปัจจัยบ้า ปัจจัยป่ะเหมือนอาหารกันกินอ่ะมีใช่มี่คนที่ยอมอดอยากนี่จะได้ซื้อมือถือยอมมาอดอยากยอมใส่เสื้อ ข, ดขาดๆนี่จะได้ซื้อไอโ o n สิบหกมียังก็ไม่รู้เป็นปัจจัยมีคนนี้คิดแบบนี้ก็มีอีกทัศนคติที่บอกว่าเสียดายเงินสกาดนี่พอพอพอพ อ, พอได้มาจ่ายไปเนี่ย มันก็หมดแล้วมันไม่ได้บรรลุเป้าหมายของสกาดสากาัดนี้เป้าหมายคืออะไรคือให้คนรวยทําหน้าที่กับทรัพย์สินของเขาช่วยเหลือคนอื่นแต่หน้าที่ของสากาัดเนี่ยยกสถานะยกสถานะคนคนคนจนแต่ถ้ า, าว่าเราได้เก็บสกาดแล้วก็จ่ายไปเนี่ยแล้วหมดแล้วจะเกิดปัญหาอะไรมันมันมันจะแก้ไข ย, ยังไง ถ้าคนจนมากอีกล่ะไ ม, ไม่ไม่ได้ทวีวีณ า, าไม่มีสกาดทำอย่างนั้นไม่ได้เขาก็เสียดายเสียเปรียบที่เงินสกานัดนี่มันจะหมดไปกับการให้อย่างรวดเร็วความต้องการของคนในสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะอุดรูดมันได้ด้วยเงินสกาดเล็กน้อยซึ่งอุลามา ก, กุมนี้เนี่ยเขาเขาได้ศึกษาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องศรษกิจโดยรวมของของสังคมมุสลิมในหลายประเทศเขาบอกว่าการที่เอาสกาศนี่มาสร้างมาทำธุรกรรมแล้วก็ถ้าทำให้มันแบบแบบแบบมืออาชีพหน่อยนะแล้วก็ให้คนยากจนนี่เนะี่ยมาทำงานมาทำงานในธุรกิจนี้ให้เขามีรายไดแ้แล้วก็ทำงานได้เงินเดือนอย่างตออเนี้ นี่มันดีดีกวให้เงินปล่าแล้วก็เขาไม่รู้เนี่ยจะเอาเงินจะไปจะไปจะไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างไงอ่ะให้เขาไปสองสามพันบาทให้เขาไปหมื่นนิดอย่างเงี้ยแล้วหมื่นนิดเขาจะไปทําธุรกิจจะได้อยู่ทั้งปีได้ไงแต่ถ้าเราเอาเงินสกัดนี้ก้อนใหญ่มาทําโรงงานชนิดหนึง่งหรือซื้อบริษัทที่มีความสําเร็จในการค้าขายชนิดหนึง่งแล้วก็เอาคนจนนนี้มาบรรจุอย่างาน เขาได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นเคสตอรี่หลายเคสขาบอกว่ามันควรที่จะทำถ้าถ้าทําได้ทั้งนี้เรื่องนี้มันก็มีมีเรื่องเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างนะคือเงินสะากาัดไม่ใช่เงินสากาัดแสนสองแสนนี่สามารถทำได้แนตะ่ไม่ใช่อั น, นี้เราก็พูดถึงระดับร้อยล้านเงินระดับร้อยล้านพันล้านบาทอะไรแบบเนี้ยถึงจะมีผลแต่เงินร้อยล้านพันล้านบาทนี่ไม่เยอะนะ สำหรับสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยใน้านเราประเทไทยในมุสลิมเนี่ยในเมืองไทยนี่นะถือว่าไม่เยอะนะผมสันนิษฐานนะครับว่า zakat สาหรับสังคมมุสลิมสังสัสังคมมุสลิมอย่างเดียวเนี่ย zakat ของเขาเนี่ยปีหนึ่งนะไม่น้อยกว่าสองสามหมื่นล้านบาท zakat อย่างเดียวต่อปีซึ่งสองสองสามหมื่นล้านบาทนี่ทำให้สังคมมุสลิมไม่มีไม่มีคนจนเลยนะไม่มีคนจนเลย ถ้าทุกคนที่มีพิกัดออกจัการคนมีสองแสนนี่ก็ต้องออกละห้0พันบาทคิดดูสิดูมเลยดูเลยบัญชีมุสลิมมีเท่าไหร่แต่ละคนเนี่ยมีสองแสนบาทนี่ออกละห้าพันมันมันจะเท่าไหร่มีกี่คนน่ที่มีสองแสนนะล้านหนึ่งได้ไหมแค่สองแสนนะ สักล้านนี่นะันนี่เท่าไหร่ละห้าพันล้ล 5, ลานละอันนี้ห้าพล้านสมหรับแข่งละรัชการก็ดีคนธรรมดาสอง0 0 0ละสองแสนนี่มันชิปชิปอะ่ะคนคนทั่วไปนี่ก็จะมะีแล้วก็คนที่มีมากกว่า 2,000 ส, สนละคนที่มีลานน้ า, ลานนึงเท่าไหร่ส5 0 0มคนที่มีส0บล้านน่ะเท่าไหร่ 2,500 ส, สนอันนี้แค่คิดเงเงินอย่างเดียวนะ เกษตรล่ะศักรมล่ะธุรกิจล่ะหูพลมาจจะบอกว่าที่ไหนมีความเหลื่อมล้ามีคนมีคนจนที่ไหนเนี่ยคนจนเยอะหน่อเยอะปกติเนี่ยรู้ได้เลยว่าที่นั่นนะมีคนที่ไม่ออกสักัมีคนที่ไม่ออกสักัใช่ลิลฟุกอร์นี่ให้ให้เขาถือกรรมสิทธิ์ให้เขาถือกรรมสิทธิ์ อย่าให้เขารู้สึกว่าคนรวยนี่มีบุญคุณมีบุญคุณกับเขาสารพนีสลรพนีเขาก็เลยมีศิลปะในการในการที่จะจ่ายสกาดในการที่จะให้สดอกศิลปะไม่ให้คนจนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับคนรวยแล้วตัดกิเลศ ของคนรวยที่จะรู้สึกมีบุญคุณหรือโอ้อวดในการบริจาคทานให้คนหนึ่งด้วยการบริจาคลับๆศิ ล, ละปะก่อนซึ่งในคุณอ่านเอยก็บอกไว้แล้วอินทุบุตุสดะกอธิฟานิอิมมัยว่าอินทุฟูฮะวะตุต ah ัวฟุกอัร่าฟะฮ์ฮุวาะไคลรุลละกุถ้าได้เปฏิบัตอให้ صدقات ท, ที่ทานที่ให้นี่นะก็ดีดีในก็หมายมนี่อาจจะมีประโยชน์ สอดละก็คนอื่นที่ขี้เหนียวจะได้จะได้ให้ว่าเป็นตุกฟัวแต่ถ้าทำแบบลับๆเนี่ยให้ฟรีดให้มิสกินให้คนยากจนแบบลับๆเนี่ยแฟนยังให้นี่คือดีเลิรที่สุดจริงเนี่เปิดเผยสอดละก็เนี่บางทีเนี่ยในสังคมเนี่ยบางทีนี่สังคมต้องต้องมีการเปิดเผยมีเปิดเผยกันให้สดอดละก็เพราะไม่ใช่นั้นดู คนที่คนรวยที่ไม่บุญเลยอาจจะโดนข้อหาว่าไม่ออกสั ก, การอันนี้บางส่วนรวมของคนรวยมากเลยรวยแบบรวยเละเลยอะแล้วเขาออกสักกาแบบลับๆแล้วไม่บอกใครเลย <c oughs> คนก็ก็สงสัยที่ไม่เห็นทําบุญเลยเลย <c oughs> <c oughs> ข้อหาแบบข้อหาหนักนะในสังก็แบบเนี้เวลาคนรวยแล้วก็ไม่ออกสั ก, การณโดนข้อแล้วก็ซุบซิบกันนินทากันเสียหายบางทีเนี่ยอาจจะต้องหรือ เป็นเยี่งอยา่างเป็นแบบอย่างให้คนขี้เหนียวสมัยท่านนาบีสุลตาะซอลลัมเกิดขึ้นเรื่องเรื่องคนที่ไปให้ซาดะก็ผิดคนวันหนึ่งไปให้คนขโมยวันหนึ่งไปให้คนที่ทำจีนา่าอีกวันนึงไปให้คนรวยคนก็ะซุบซิบกันในเมืองโอ้ไปให้คนขโมยเอ้ยไปให้คนทำจีนา่าเอ้ยไปให้คน คนรวยนบีก็ปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรคนขโมยเนี่ยอัลลอฮอาจจะให้เขาสำนึกผิดแล้วก็เลิกการขโมยคนที่ทำศีลหนาอาจจะสำนึกผิดแล้วก็เลิกทำศีนหนคนรวยเนี่ยอาจจะสำนึกผิดแล้วก็เลิกความตระหนี่เขาจะได้ออกสกาดบ้างและในฮานิสนี้เนี่ยก็เป็นตัวบท ตัวบที่สมทบกับอายะนี่นะลิลฟุกรอนี้เราให้กับคนยากจนที่เราเข้าใจว่าเป็นคนยากจนเช่นคนมาขอทานแล้วก็เขาบอกว่าเขามีปัญหาเขาขัดสนเขาอย่างนี้ดูเสื้อผ้าแ ล, ล้วส่งคนไปตรวจสอบดูนะฮเรียบร้อยแล้วมีสิทธินะ์แล้กวกระไรสกรัดปรากฏว่าไม่ใช่ ไม่ใช่คนยากจนสกาศของเราหนีซ้อไว้ซอ้ซอ ح. กอ็ไอคนนี้ให้คนรวยไปแล้วนี่นะนาีปลอบใจเขาบอกว่าหวังว่าการที่เ็าให้คนรวยเนี่ยคนรวยนั่นนะ่ะอาจจะสำนึกผิดแล้วก็เลิกความตระหนี่ก็ได้สแสดงว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจำพวกที่มีสิทธรับสกาศเนี่ย เขาไม่ใช่เป็นจำพวกนั้นนะถ้าเราไม่รู้นะเราไม่ผิดแต่นั่นหมายรวมว่าเราต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ใช่ว่ารู้กับใจว่าเขาไม่มีสิธรับสาการแล้วก็ให้เขาแต่แอนน่ะไม่ซอรู้นี่ว่าเขาไม่ไดีอยู่ในแปดจำพวกและยังดันไปให้อีกอนะ่ะไม่ซ้อต้องออกใหม่มันมีเรื่องเยอะนะครับที่เกี่ยวกับสาการนี้แต่ผมจะพยายามพูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวบทที่ที่เราต้องการศึกษา ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายอธิบายเรื่องที่มันมีอยู่ในสังคมของเราเราจะได้ประโยชน์แล้วก็เห็นเห็นว่ากุรอ่านนี่มันก็เป็นทางนำทุกยุคทุกสมัยะมีประโยชน์ในการที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในทุกมิติในในทุกสถานาการณ์ใช้ได้หมดบางงียมเขาบอกว่าในฟุตโนตของ ของเนี่ยใครที่มีเล่มของนักเรียนกับอัลลับเนี่ยฟุตโน้ตสี่กับห้านี่สลับกันก็อธิบายฟุตโนตข้างล่างข้างล่างอ่ะนะยากจนกับคนยากจนที่ไม่มีอะไรเลยกับขัดสนที่มีไม่พอเนี่ยเขาสลับกันก็พี่น้องใครที่อ่านนี่ยจะได้ไม่ไม่สับสนพี่น้องมีคำถามไหมครับก็ต้องบอกเขาว่ามันไม่มีสิทธิ์อ่าน อากให้เนียแต่เขาไม่อยากให้ทำเนียแต่เราเขาให้ทำดีแทนนี่ไม่ได้ก็คือจะบอกใช่ถ้าเราไม่ไม่งั้นเราก็ต้องบอกเขาอะอั น, นุญาตให้ผมผมไม่มีสัตว์รับสากาักระแต่เม้าอยู่ผมไปแจกให้คนที่มีสิทธิ์ไหมแต่ไอเรื่องเหมาะไม่เหมาะสวยงามไม่สวยงามอมัน ก, มนก็มันก็ต้องดูตามสถานการณ์เพราะบางทีถ้าเราไปให้สมมติวเราไปให้คนที่เป็นญาติเขาแล้วเขาไม่อยากจะให้เนี่ยแล้วถ้าเขารู้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ย ยิ่งกโกรดแล้วก็ไม่ไม่ช่วยเหลือเลยก็มล้ก็ลองเราต้องต้องพิจารณาแต่ทำโดยภาราการและไม่บอกเขาเลยอะนะมันมันมนไม่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปใช้เองก็ต้องบอกเขาผมไม่ได้ไม่รับนะผมไม่รับส ก, การ์นะแต่ผมรับไปแจกให้ได้ถ้าถ้าถ้ามอบหมายผมเนี่ยผมยินดีไปแจกให้ได้ถ้าเขาโอเคก็อัอนนี้ก็แล้วกัน แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดแล้วก็มันมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอายาด้วยลืมลืมบอกนะครับให้สกาดกับแปดจาพวกเนี่ยโดยเฉพาะอยากชนต้องบอกไหมอ่ะสกาดอ่ะข้าพเจา้าให้สกาดต้องไหมไม่ต้องบ้านเรานี่เขาเขาถือว่าสกาดนี่มันไอบาได้เหมือนตีสิลดเหมือนละหมานนี่แหละ แล้มาดีก็ต้องอุทศเลยที่สิ่งนี้ก็ต้องอัศวมูนะวันที่วันอัศวมายามาดินอันอิลลัฮิตาหะกานี้ก็เหมือนกันอันนี้นะวูะกาิลลฮิตลนี่ก็ต้องต้องต้องระบุว่าเป็นปะกาต้องจะไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับก็เป็นอบาดะกัรอิบาร์ดมาลีะมันเป็นอิบาด์ดเกี่ยวกับทรัพย์สินนะเราทาอิบาด์ดะในตัวทรัพย์สินไม่ใช่ตัวร่างกายของเรา ฉะนั้นเรนี่มีหน้าที่เจตนายอย่างเดียวเจตนาอย่างเดียวแต่ทรัพย์สินเนี่ยถ้ามันไปถึงจุด ท, ที่สอดคล้องกับสังกัโอเคเลยทำไมอ่ะบางคนบอกว่าอ่านสกัดส ก, สกัดกูไม่นับไม่รับนี่ไปให้คนอื่นซะแต่เขาเป็นคนจนจริงๆนะแต่เขาไม่รับแต่คุณบอกสกัดเขาไม่รับสกัดเขาถือศักดิ์ศรีไม่รับสกัดไปคนอื่นซะแล้ว บอกอย่างอื่นได้นี่จะเป็นบาสกันถูกถามอย่างนี้เพราะมันมีงคนเยอะในสังคมแบบนี้ยที่เขาไม่รับสาการ์เขามีสิทธิ์รับสาการแต่เขาไม่รับถ้าคุณไปบอกเขาว่าสาการ์นีาไม่รับถ้าว่าเขาาบอกว่าฮัลีย่าเป็นสโนกอวิไลเนี่ยเขาอาจจะรับสโนกอวินี่อาจจะไม่มยอมด้วยซ้ำหรเป็นฮัลีย่หรือ็นอะไรก็ได้ที่มีสาการ์วิทรานี่ คือบ้านเราเนี่ยสกัดพี่ต้นอก็ออกเพราะเพราะเราสวนมากออกข้าวแต่ที่จริงนี่บ้านเราเนี่ออกได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นก็ออกได้นะแต่เราไม่เคอยออกกันไงเช่นบ้านเราเนี่สามารถที่ออกได้นี่พวกถัว่วพวกอะไรเงี้ยออกได้ตัวดาตัวแดงอะไรเงี้ยตัวเหลืองออกได้นะ อแล้วก็มีคนก็มีก็มีคนกิกันก็บางคนก็อาจจะกินถั่วแกงถั่วอะไรอย่างเงี้ยออกได้แทีนี้ก็จะเอามือไปแช่ข้าวไปแช่ถั่ว <c oughs> ประเทศอื่นอย่งไรอะเราก็ออกกินพาลําเอามือไปแช่ผ้าลําเองเหมันก็คือผมว่าอะไรที่มันน่าจะน่าจะหยิบยืมมาจากที่อื่นเนี่ยมคืออยู่ๆกัน ก, ก็ต้องมีแหละ ผมไม่เคยคิดนะว่าไอเรื่องซึมซับนี่มันมันมันมันมันแบบเรียนแบบแบบง่ายมากเลยอ่ะผมเห็นนะที่ที่เขามีมีมีมีเรื่องสวดแล้วก็มีต้องมีมีได้ที่เขาเรียกอะไรอสายสินได้ที่มันมันจะต้องมันจะได้ขึ้นมันจะได้ไปถึงหมดเลยใช่ไหมอุซิมเรามีแล้ว มือสีเรามีแล้ว The All แล้วก็มีสายต่อไปยังคนที่ต้องการรับบรกิการของดูอ่านต่อสายไปด้วยแล้ก็อ่านอ่านอ่านและเป่าเนี่ยมีแล้ ว, <laughs> า ม, ลวมาจากไหนแน่นอนมันไม่ต้องคือไม่ต้องคิดอะไรมากอะมองตรงนี้บองก็เลีนแบบกันไปบางเออในเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่รู้นะว่าใครเลียนแบบใครด้วยนะเพ้อเพอนี่นะ เขาเอาจากเราหรือเปล่านะก็บอกว่าทําบุญสามวันเนี่ยทำบุญสามวั น, นเอามาจากฝั่งนน้นบอกก็ไม่แน่นะฝั่งนน้นเนี่ยก็เอามาจากเราหรือเปล่าไม่แน่แนะเราเนี่เป็นผู้เริ่มอุตริขึ้นมาเนี่ยแล้วฟิตโตนี่ให้ให้สกาดฟิโตนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนสกาดนะสกาดฟิตโตนี่ให้เฉพาะคนยากจนคนยากจนและมิสกีนแต่สกาดเนี่ย อันนี้ให้เป็ดจำพวกสกัดฟิตร้อนให้เป็ดจำพวกไม่ได้นะให้เฉพาะคนยากจนนะครับฟิตร้อนนี่ก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่เรื่องแช่อย่างเดียวมีเรื่องลากลากเข้าสารนี่ก็แต่เดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วน้อยลงแล้วไม่ค่อยมีแล้วถ้วก่อนนุ้นลากลากจนจนมีแบบมีล้อด้วยนะมันจะได้ง่ายนีย่ลากไปแล้วเคยเห็นว่าบางหมัดที่เป็นลอ้อฮะ อ่าไม่เห like right. really ็นทันมาเออแต่แต่ทๆที่เดินมาแบบโบราณนี่เขาเขาลากอย่างเดียวนะเขาไม่เขาไม่มีล้อนะแต่อันนี้มันล้อนี่เพราะอะไรนี่เพรามันลากเยอะไงคือเข้าวสิบโลนี่อันนี้ติดรถทั้งตำบลเลยใช่คือลากใบลากมานี่ก็ออกไปแล้วไงคือลากไปครั้งนึ่งออกไปแล้วอันนี้ก็คืนมานี่ยโบฮาดี亚马เนี่อันนี้ลากมาเนี่อันนี้ได้แล้วพอได้แล้วก็ออกไปอีก นี่ก็ทั้งบนนี่ก็ใช้ข้าวแค่นี้แหละดูนี่ลากต้องเปลี่ยนมือไงเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปเปลี่มาลากไปลากมานี่อันนี้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไงเข้าใจไหมไอ้ลากนี่แปลว่าอะไรลากนี่คือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไงออกแทนคนอื่นไง น, นี่ลากให้เข้าไปมาก่อนเถอะนะให้มาอันนี้ก็เดิอมน้อยแหละทำจนละบ้านเราความรู้เราปัญหาว่ะคือเข้าใจว่าแต่ก่อนนู้นน่ะนะความรู้มันน้อยไง สังคมที่มีความรู้น้อยเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดชาวบ้านเขาก็ทำทำทำเร็วพอไม่มีโอกาสที่ตรวจสอบแต่แต่ความรู้เยอะความรู้พอสมควรนะ่ยมีการตรวจสอบสังเกตได้เลยสังคมที่ไหนนี่ความรู้มากขึ้นนะนะไอการหลอกลวงชาวบา้านทุกเรื่องเลยเรืงการเมืองก็เหมือนกันทําไม ขายเสียงซื้อสินขายเสียงนี่ทำไมในชนบทมีเยอะเยอะกว่าในเมืองเพราะการศึกษานี่มันน้อยไง